ขอความสุขความเจริญจงมีแต่ท่านผู้ฟังภัยแต่หลวงประพภทธาณได้นำเสนอเรื่องเมตตาบารมีมาโดยลำดับก็ามาถึงเรื่องของอนิสงค์แห่งเมตตาที่ทรงแสดงไว้ทั้งระดับของกามาวจรภูมิและรูปาวจรภูมิในกามาวจรภูมินั้นก็จะไม่หลงตาย เมื่อไม่หลงตายก็แสดงว่ามีสติตายมีสติตายก็แสดงว่าจิตผ่องแพ่วเมื่อจิตผ่องแพ่วก็จะบังเกิดในสุคติแต่ว่าบางครั้งก็ทรงแสดงบางครั้งก็ไม่ทรงแสดงแต่ผู้ศึกษาจะต้องเข้าใจเอาเองว่านี่คือกระบวนการของจิตที่มีความผ่องแพ่ว เมจิตผ่องแผ่ก็หวังได้ว่าไปบังเกิดในสุกติเมื่อจิตทราบมองก็หวังได้ว่าไปบังเกิดในทุกติแล้วก็ไม่จุดที่ระดับเป็นรูปราวจรท่านบอกว่าเมื่อไม่แทงตลอดคุณอันยิ่งกหมายความว่าจับใจที่ยังไม่บรรลุมรรคผล ก็เป็นพระ อ, อรหันตะ์ผู้ระดับสูงสุดก็จะเข้าถึงพรหมโลกเพราะว่าพรหมโลกนั้นเป็นผลของฌานถึงสิบเอ็ดชั้นแล้วก็รวมกับรูปอรูปประพรมอีกสี่ชั้นก็หมายความว่าทั้งหมดก็มีสิบชั้นเป็นรูปประพรมสิบเอ็ดเป็นอรูปประพรมเจสี่ นั่นอีก5าก็เป็นเรื่องของพระนาคามีประเด็นสำคัญมันก็อยู่ที่การโดยเสด็จรอยอยู่คนบาทของพระพุทธเจ้าก็ในสมัยที่ยังเป็นพระโพสตสัต ย, ยังไม่ได้สัสรุด้วยการพยายามเพิ่มพูนเมตตาจิต ต, ต่อคนทั้งหลายและกระจายออกไปโดยลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ให้เริ่มต้นจากภายในครอบครัวให้ได้แต่ที่จริงก็ต้องเริ่มต้นที่ตนเองนะครลองสังเกตว่าพฤติกรรมเป็นอันมากในปัจจุบันที่ขาดความเมตตาความวางดีต่อตนเองที่เราเรียกว่าเบียดเบียนตนเองกัเดือดร้อนหรือปัญหามันก็อยู่ไกลตัวเยอะ แต่เราก็ไปลึงปัญหาเหล่านั้นมาสู่ตัวเราเช่นการเชื่อวไปในแหล่งเรองรมต่างๆแล้วก็ตกเป็นทาสของใบรรยมุกโดยเฉพาะอย่างงิ่งพวกยาสิทติดแล้วความเป็นนักเลงหญิงตลอดทุกพวกเล่นการพ น, นันแต่อย่างนั้นก็เป็นการหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อน โบราณท่านใช้คำที่เป็นรู ป, ปรธรรมสอนให้เราคิดว่แหวงเท้าหาเสี้ยนมาความวาเสี้ยนมันก็อยู่ตามภาษาของมันถ้าเราไม่แหวงเท้าก็ไปหาเนี่ยเสี้ยนมันก็ตําเราไม่ได้หรือ ป, ปาคุนทนลมเป็นการกระ ท, ทําที่หาความเดือดร้อนใส่ตัวเองโรครกขุณมันก็จะเข้าหน้าตนเองเหรือรู้ฝอยหาตะเข็บ คนที่หาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวเองเนี่ยจะมีอยู่เป็นอันมากแล้วในที่สุดก็จะมีการกล่าวอ้างกันโดยประการต่างๆถึงการกล่าวอ้างบางเรื่องเนี่ยก็น่าเป็นห่วงวันก่อนนั่งรถไปคนขับเขาก็เปิดวิทยุให้ฟังก็มีการสัมภาษณ์สวก็ไปดู การประท้วงกันในทางภาคอีสานเนี่ยมันมีข้อความตอนหนึ่งที่ยังลึกไม่ออกนะฮะว่าถ้าไปดวดไปตามนั้นในบ้านเมืองจะเป็นยังไงเขาเรียกร้องในการที่เขาสูญเสียโอกาสโอกาสในการประกอบอาชีพเช่นสมมติว่าเขาประกอบอาชีพทางการ ประมงอยู่ดรการจับสัตว์อยู่แล้วทางรัฐบาลก็ไปสร้างเขื่อนไปจัดกิจกรรมขึ้นมาตรงนั้นเขาก็สูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพแล้วเขาก็เรียกร้องแล้วก็พูดถึงการเรียกร้องเยอะจังอย่างนึกว่าแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นกันตลอดนี้ทำยังไงดี คือบ้านเมืองจะพัฒนาอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ว่าเทศบาลจะลอกท่อหน้าร้านต่างๆเนี่ยก็ตอนนั้นคงก็เข้าไปซื้อของหน้าร้านไม่ได้พอซื้อของไม่ได้หน้าร้านก็เรียกร้องค่าที่เขาสูญเสียโอกาสไปแล้วก็ตีราคาเอาเขา อ, อาจจะขายได้เป็นหลายๆพันเลยอะไรไนี้ตกลงเลว่าประมาณแผ่นดินก็ต้อง เอาไปแจกคนที่นักเรียกร้องทั้งหลายกาเป็นการสร้าเติมชาติบ้านเมืองตัวเองคือความคิดในลักษณะนี้คือถ้าเรามองแล้วเนี่ยือสังเกตมานานเรื่องสำนึกชาติว่าความเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองเนี่ยมันมีน้อยไป มันต้องการจะได้จากชาติปัดน์เมืองกันด้วยวิธีการต่างๆหลากหลายเหลือเกินแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นนักร้องเนี่ยแม้แต่ว่าเรียนหรือสอบหรือบวชหรืออะไรก็เหมือนกันเพื่อเรียกร้องกันเยอะแล้วผลสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีใครทำได้เช่นบางครั้งก็ไปขอคะแนนขอเกรดขอคะแนนในพวกนักศึกษา โดยไม่ได้มองเห็นว่าไอ้เกรดหรือคะแนนเนี่ยมันมาจากคําตอบที่ถูกต้องคําตอบที่ถูกต้องมาจากการเข้าใจเนื้อหาวิชาการต่างๆเหล่านั้นก่อเข้าใจเนื้อหาวิชาการมาต้องขยันเรียนขยันศึกษาค้นคว้าขยันสอบถามไม่ขาดเรียนมีความรอบรู้มีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการเหล่านั้นเนี่ยแล้วก็จะเห็นได้ว่า พอกระบวนการเหล่านี้มันไม่เกิดแล้วมาต้องการเก็บเกี่ยวตัวผลที่ตอนปลายแล้วใครจะช่วยได้ทีนี้ถ้าหากว่าคนมีการมีพฤติกรรมที่เบียดเบียนตัวเองเกิดขึ้นมากมากมกกลายเป็นปัญหาอ า, ากรรม์เราจะเห็นว่าพวกอ า, ากรรมเนี่ยมันจะเริ่มที่ตรงไหนก็ได้แล้วในที่สุดมันจะเลื่อนไหลคล้ายคๆคนสูญเสียการทรงตัวนะ มันจะเลื่อนหลายไปเรื่อยๆอาจจะเริ่มที่ดื่มทุราอาจจะเริ่มที่เล่นการผัดนันอาจจะเริ่มที่เที่กลางคืนอาจจะเริ่มที่ชอบดูการเล่นต่างๆแล้วในที่สุดเนี่ยมันจะดึงปัญหาต่างๆเข้ามาเป็นอันมากประการต่อไปก็คือเรื่องการสร้างครอบครัวให้เป็นสุข เพราะสภาพปัญหาความแตกแยกหรือสภาพบ้านแตกต่างๆนี่มันเกิดแพ่หลายเมืก่อนดูข่าวอเมริกาก็ค่อนข้างน่ากลัวนะฮะว่าเด็กมีค่าคนตายตกรู้สึกว่าเท่าไหร่สัปดาห์ละสิบพัคนหรือเดือนละสิบพานคนเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยลากปืนมายิงกันบางทีก็ยิงกลาดกัน แล้วบางทีก็ยิงพ่อแม่ตัวเองนั้นนต้องแสดงให้เห็นเึ่งความอบอุ่นที่มันหายไปจากครอบครัวลักษณะครอบครัวแบบไทยเนี่ยคือถ้าเรายึดหลักแบบโบราณนนที่ท่านสอนไว้สา้ําลูกหยอกกอไผ่สา้ําเนี่ยคือความรักความเมตตามนเป็นการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ที่ต้องการได้รับความต้องการความรักใครรับความรักต้องการความอบอุ่นความปลอดภัยมีที่พึ่งอำนักอาศัยต้องการพักผ่อนหย่อนใจมีสันทนาการมีคนให้สถานะยกย่องเราเนี้ยเป็นความต้องการร่วมกันเพราะการอยู่ร่วมกันภายในครอบครัวเคยลองสังเกตว่ามันหล่อเลี้ยงกันด้วยเมตตาจิตคือความรู้สึกเป็นมิตรต่อกัน มีความสื่อสัตว์ื่อตรงตกันตัวอย่างเช่นสามีกับภรรยาเนี่ยถ้ามีความรู้สึกเป็นมิตรแทนที่จะรู้สึกเป็นกู้ครองเพียงอย่างเดียวรู้สึกเป็นมิตรรู้สึกเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมต่อสู้ชีวิตกันมาด้วยกันเนี่ยคือความรู้สึกเป็นมิตรเนี่ยมันจะไปมุ่งอนุเคราะห์ เดีลองสังเกตว่าความรู้สึกเป็ น, นี้ก็คือเมตตาเนั่นเองมันนุ่งบำบัดความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นแก่เขาจนว่ามีความรักใคร่ต่อเขาการพูดการกระทาก็ตามเป็นอุปการะต่อเขามีการแนะนำประพฤติกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเขาแล้วก็ยามที่มีความทุกข์พร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันได้ คือแส ด, แดงว่าทําตัวเป็นผู้ให้ทําตัวเป็นผู้อภิบาลดูแลอบอุ้มคุ้มครองปกป้องรักษาอภิบาลนนติการแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมอยู่เพียงระดับนี้ก็คงไม่ได้มันก็ต้องกระจายความรู้สึกเป็นมิตรออกไปถึงเพื่อนบ้านใกล้เริอนเคียงทั้งหลาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสำนึกชาติก็ทําำยังไงคือเราอยู่แม้ไม่ถึงระดับเมตตาเนี่ยให้รับใ ห, ให้ให้รู้สึกมีความรักมีความรักจนถึงพร้อมที่จะเสียสละประยชสุขของตัวเองเพื่อองค์กรหลักของบ้านเมืองเพื่อสถาบันหลักของบ้านเมืองคือยังไงก็ตามก็ โครงสยามานุสติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าก็อยู่หัวบทที่หนึ่งเนี่ยมันก็แสดงถึงพลังของความรู้สึกสานึกคุณต่อชาติบ้านเมืองแล้วก็มุ่งดีปราถนาดีต่อตัวเองแล้วก็ปราถนาที่จะตอบแทนคุณของแผ่นดินตลอดถึงสถาบันหลักของชาติบ้านเมืองเนี่ย ที่ทรงนิพนธ์ไว้ว่ารักราชจงจิตน้อมพักดีท่านนะนี่ก็พูดถึงรักนะแต่ว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยปกติเราเรียกก็พักดีพักดีมันก็มาจากรักจากเมตตานั่นแหละถ้าหากว่าไม่รักไม่เมตตาก็พักดีไม่ได้หรอกแต่ว่าเราใช้คำว่าเมตตาจนบางทีเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เมตตาเด็ก แต่ลองสังเกตลักษณะเมตตาก็คือความเป็นมิตรความเป็นมิตรความรักความเคารพความนับถือความพักดีความศรัทธามันก็อยู่ในโครงสร้างเดียวกันคือจะทําหน้าที่นาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาสู่บุคคลนั้นแล้วก็มีการประพฤติการกระทําที่เป็นการข้าวกูลต่อคนซึ่งตนรักเคารพศรัทธาเมตตาพักดีแต่ละคําเนี่ย ขอให้มีขึ้นมีเพียงคำเดียวเท่านั้นเองแล้วยังอื่นเนี่ยความดีงามงอย่างอื่นก็จะตามมาโดยธรรมชาติของเขารักชาติกอบกรณีแน่วไว้คือสำนึกคุณของแผ่นดินเนี่ยมันพูดยากอย่างที่เคยล่าว่าเยานีไปที่ไหนเวลาพูดกับเด็กเนี่ยเราจะตั้งปัญหาเด็กก็คิดถึงมันง่ายอยู่แล้วนะะเป็นปนัญหาเด็ก เรียกว่าเด็กวัหนึ่งก็ตอบได้แต่เราถามเด็กทุกระดับแล้วก็ไม่รอคำตอบด้วยคือถามแล้วก็ผ่านไปเลยเพื่อเด็กได้คิดว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องด้วคนอื่นเราอาศัยก็กว่าจะเติบโตมาได้เนี่ยมันมีคนที่มีคุณอุปการต่อเราอย่าคิดว่าครอบครัวอย่างเดียวนะฮะมันเกี่ยวข้องยงใหญ่กับคนเยอะแยะไปหมด เราขับรถไปบนถนนเราเดินไปบนถนน น, นั้นก็เป็นเงินทองซึ่งเกิดจากอยากเงื่อแรงงานของคนภายในชาติเน่ยมันเป็นภาษีให้แก่แผ่นดินแล้วเขามาสร้างเป็นถนนมาสร้างเป็นโรงเรียนสร้างสาธารณูปโภคทั้งหลายเนี่ยซึ่งคนไม่เสียภาษีมากมันก็ให้อะไรไว้แก่ชาติบ้านเมืองนี่มากทีนี้คนบางคนเนี่ยไม่ได้เสียภาษีสายตรง เพราะว่ารายได้มันก็ไม่มากพอที่จะเสียจะเสียภาษีโดยอ้อมก็แน่นอนก็ถือว่าตัวเองก็ได้ช่วยหโือชาติบ้านเมืองแล้ว่าทำยังไงจะให้รู้สึกเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้แก่ชาติบ้านเมืองให้มากหน่อยอย่าคิดมมั่งแต่เกาะกลวยตัดตวงผลประโยชน์จากชาติบ้านเมืองโดยไม่ได้คํานึงว่ามันจะเกิดเป็นปัญหาอะไรขึ้นมางหรือไม่ จริงแนวตรงนี้ถ้าเรามองถึงแนวโบราณเนะเราสามารถขยายโครงสร้างจากเรื่องหงทองออกไปได้ที่ท่านเล่าถึงแม่กับลูกสาวพ่อตายไปเกิดเป็นหงทองพอถึงคราวขนมันออกเป็นทองก็มาสลัดไว้ให้ติครอบครัวเพื่อเอาไปขายหาเงินมาเลี้ยงรูครอบครัวกันไอ้เจ้าแม่เกิดโลคขึ้นมา เพราะว่าวันหลังหงจะไม่มาเลยก็จับหงขังเอาไว้แล้วขนเป็นทองก็คิดว่าจะถอนเนาแต่พอหงถูกขังนี่ขนมันไม่เป็นทองแล้วในสุดตัวเองก็กลายเป็นคนยากจนชาติบ้านเมืองเราก็มีลักษณะอย่างนี้คือถ้าหากว่าประชาชนภายในชาติขาดสานึกคุณของแผ่นดินขาดสานึกคุณของแผ่นดินทินเกิดปุ้งแต่จะได้จากชาติบ้านเมือง เป็นการ ต, ตัดไม้ทำลายป่าทำลายทรัพยากรธรรมชาติทำลาย ส, ยาายาายสภาพแวดล้อมหรือแม้แต่การเรียกร้องผลประโยชน์จากชาติขึ้นมายังยังมองว่าวัดในพระพุทธศาสนาเนี่ยเราก็ไม่รู้จักสมพันธ์เชื่ออะไรแต่เราชื่นชมชื่นชมว่าพื้นฐานความคิดแบบพุทธเนี่ยราชการเขาจะทำเขื่อนวัดจงบิณฑในบางทีทั้งสมสี่วัดบางทีตั้งเจ็ดแปดวัด จมหายไปในเกิดไม่ว่าอะไรเอาไปเลยจะทำอะไรก็ได้นะผ่าวัดเฉือนวัดเข้าไปก็ไม่ได้ว่าอะไรมันเพื่อชาติบ้านเมืองแล้วเนี่ยมันต้องเสียสละเพราะว่าเราเป็นผู้อาศัยความสุขใจของการเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยความสุขมันเกิดขึ้นจากการได้ให้นะ มันไม่ใช่เกิดขึ้นจากการที่เราได้ครอบครองเพราะการได้ครอบครองนั้นเราก็ทิ้งไปไม่มีเราครอบครองอะไรไม่ได้นานแม้แต่ตัวเองเรายังครอบครองไว้ไม่ได้เลยแต่การรู้สึ ก, กตัวเองได้ให้ได้บูชาได้ทดแทนบุญคุณมันจะเป็นความสุขใจเป็นความภาคภูมิใจเป็นเกียรติยศ แล้วก็ตายไปเราก็รู้สึกเป็นสุขที่ไม่เสียชาติเกิดเกิดได้ทดแทนคุณของสถาบันประมากษัตริย์ทดแทนคุณของแผ่นดินของชาติบ้านเมืองนะฮะเกิดทั้งหมดแล้วก็ไม่ต้องการผลประโยชน์อะไรจากชาติบ้านเมืองในวันก่อนไปรมพระธรรมทูตหรือ ท, ท่านถามในตานองว่าเรียนที่มาคืออะไร แล้วก็ถางมาอัลเทไรก็จะเก็บค่าหน่วยกิจแกดูหน่วยกิจมันก็น้อยได้เกินนั่นนะฮะคืถามว่าเห็นด้วยไหมแต่แกคงต้องการไม่ให้เราเห็นด้วยนะฮะแต่ปลาเห็นด้วยบนรณาเนตคือพระเองเนี่ยมันฝึกนิสัยรับจนบางทีก็เสียนิสยัยคือจะให้ไม่เป็นเพรอให้ไม่เป็นในสุดก็ใจก็คลาบแคบต้องงั้นต้องฝึกให้ซะด้วยมันไม่ใช่ฝึกรับอย่างเดียว แล้วจนถึงจุดหนึ่งต้องให้เป็นสุขกับการได้ให้กับการได้สงเคราะห์การได้อนุเคราะห์ตอนนั้นในทิศถกอรรร์สังเกตว่าในทิศถกเนะี่ยที่พระเจ้าสอนพระให้ปฏิบัติต่อชาวบา้านมันมีข้อหนึ่งคือข้อที่สามเนี่ยแต่ว่าสงเคราะห์ชาวบา้านโวยน้ําใจอันงดงามหมายความมามุ่งอานุเคร า, าะห์เขาทานั้านเองเราได้มีโอกาสอ น, อนุเคราะห์เขาแล้วก็ถือว่าเป็นสุข โดยไม่ต้องสนใจว่าเขาจะตอบแทนบุญคุณอะไรหรือไม่สารวมบาลีระดับอัตรกยานะแต่อามาชอบมากท่นานใช้คำว่าสงเคราะห์โดยไม่ถือเอาซึ่งชื่อหมายความว่าเราให้เขาแล้วเราก็ไม่ถามว่าเขาเป็นใครมาจากไหนไม่ต้องสนใจเพียงแต่เราได้ให้ได้ช่วยก็พอแล้ว พึงแกตัวนี้ให้เราสังเกตเวลานี้มันก้าวหน้าไปเยอะจนเรู้สึกว่ามันความคิดเป็นหนักไปทางวัตถุนิยมมากไปอย่างญาติโยมเข้าวัดเนี่ยฮะบางทีคีย์เขคอมพิวเตอร์หมดเลยบริจาคอะไรเนี่ยศึกษารายละเอียดหมดโทรศัพท์โทรศัพท์ไปให้ลงไว้หมดเลยเสร็จแล้วก็เข้าไปอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วก็ปริ้นออกมาแล้วก็ส่งดีกาเรื่อยอยู่เรื่อยตลอดเลย เป็นเรื่องที่น่าสลดเนี่ยเป็นหน้าละอายด้วยแล้วน่าสลดถูกถูด้วยคือแต่ว่าถ้าเราทําแผกแลกไปจากนั้น็มีคนเขาาา้ามาตอบว่าจะมาอยู่บอยนะแล้วทําไมไม่รู้จักก็ไม่รู้จักทํำยังไงคือเราพบคนเยอะแต่ว่าเราก็ไม่รู้จักเราเขาเป็นใครเนี่ย ตอนเรามีหน้าที่เป็นวิทยากรมีหน้าที่ไปบรรยายอบรมทีๆหนึ่งคนไปร้อยๆเป็นพันๆนะฮะบางทีนี่แล้วจะให้เรารู้จักได้ยังไงมันไม่ีโอกาสจะรู้จักแล้วก็ไม่มีความจําเป็นอะไรจะต้องรู้จักเพราะตอนนั้นเราก็ทำหน้าที่พระเราก็จบแล้วนะคราวนี้บนบรรยายบรรยายจบก็จบแล้เราเป็นสุขใจที่ได้เผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้า อยากโยมได้ความรู้ความไว้ใจแล้วก็เป็นสุขใจก็ตอนนั้นก็พอแล้วจะเอาอะไรกันทนะั้งหนาทีนี้ความรู้สึกได้ให้เนี่ยมันจะเป็นสุขและบางครั้งเนี่ยเราเช่นไปอบรมนักโทษสมมติอบรมนักโทษเนี่ยก็ลับเคี่ยวกันในหะ้ดูนะแต่พอถึงจุดหนึ่งแกกลับเมือ่อกับตัวเป็นคนดีได้จากคนเราเป็นสุขมากเนั่นคือเมตตาเนี่ยเราจะเห็นว่าอยู่ที่เราได้อภิบาล อยู่ที่เราได้มีส่วนแบ่งเบาความทุกข์ของเขาอยู่ที่การได้ทำประโยชน์ต่อเขาเพรา ะ, ะรักชาติกรอบกรณีแน่วไวภารากิจของเราที่มีต่อชาตินี่คืออะไรก็พยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพรา ะ, ะรักษาติเนี่ยมันไม่ได้ไปทำอะไรกับศาสนามากหรอก คือศาสนาพุทธเป็นโลกาโกรรมปรโกเป็นผู้อนุเคราะห์โลกเรารักศาสนาจริงๆก็คือจเจริญในทานศีลภาวนาเรศีลสมาธิปัญญาหรือสุดจริตทางใจทวาวนก็แล้วแต่ขุสกรกบทสิบนะฮะมันเป็นการปฏิบัติธรรมให้เป็นสัตว์ขีพยานพิสูจน์ถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศแสดงเอาไว้ว่า สามารถคำนวณประโยชน์สุขให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติได้จริงๆโดยไม่ต้องเน้นอย่างในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ควรจะเน้นที่ทานมากๆเน้นเรื่องอื่นเน้นเรื่องอภิญฐานเน้นเรื่องธรรมทานเน้นเรื่องการรักษาสีเน้นเรื่องการทําจิตใจสงบเนี่ยมันเป็นบุญเป็นกุน์มากกว่าให้ทานแล้วก็ ถ้าศรัทธาจะให้ทานก็ต้องมองไปในแง่ของกำลังทรับกำลังโผคขะต้องมีความสุขเป็นผลจะทําทแล้วตัวเองเดือดร้อนเพราะไม่ตาจึงมีปัญญาก็กํากับตลอดถ้าขาดปัญญาเนี่ยบางทีก็แย่เหมือนกันต้อกฟังทั้งหลายแต่ลมประพฤตาในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งอก ง, งามไปบูรณาธรรม จะมีแตท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี